ฟังธรรมกันเนะาะโอกาสนี้เหมาะที่สุดในการฟังธรรมหลังจากการพักผ่อนหลับนอนมาแล้วก็มาร่ายพระสวดมนต์สาธยายพระโสดคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ ผ้าที่ซักเพื่อเตรียมย้อมย้อมก็จะติดดีถ้าผ้าซับสะอาดแล้วตากไว้พอแห้งแล้วมายอมสีต้องการสีอะไรก็จะติดสีแด้ทันได้จีวิตของเราก็เช่นกันเวลานี้จิตกำลังว่าง บ่ดิชดไม่มีเคยโกรธไม่มีใคยตุร้ายนั่งอยู่ในท่าสงบเรียบร้อยอยู่ในกรรมวิธีนั่งคุกเข่าปลงมือไหว้พระทางกายก็เรียบร้อยทางวาจาก็เรียบร้อยทางจิตใจก็เรียบร้อยจิตใส่ใจตามคําสาธยายนั่น แล้วก็พังทำอิจขอไปเสริมเข้าไปเพื่อเป็นส่วนประกอบกับการศึกษาปฏิบัติธรรมในคําสอนนั่นๆนํามาปฏิบัติให้เกิดขึ้นตีการทีใจเรานี่การปฏิบัติสิ่งที่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ถูกต้อง ก็ต้องเอาประกอบกันขึ้นมาเอากายไปต่อเอ า, เอาใจไปต่อเอาอย่างนี้เรียกว่าวิชากรรมฐานขอล่ำนี่ล้ำไรอยู่นี่แหละวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ทำบไลัยให้สำเร็จช้าวนา กรรมฐ า, านพ่ายทำลาได้สำเร็จนาแปลงใหญ่ทำได้สำเร็จตื่นขึ้นมาก็จิตจะไปลาไปทำนาขยันตื่นเต่ ด, ดึกไปถึงนาแล้วกับประกอบการงานขยันไม่หยุดไม่ย้อนตลอดวันหลังูซผ้าหน้าโซดินแม้ฝนจัด ตกลงมาแต่จะออกก็ยังไม่ท้อถอ ย, ถอยเพราะจิตใส่ใจตามจะทำนาจะทำน า, าเข้ามาก็คิดจะเข้าบ้านหิดเส้นทางว้ไปกับตลอดเวลานาแปลงใหญ่ก็ทำได้สำเร็จเป็นเม็ดข้าวเม็ด ออกแม่พืชลราต่างๆนี่คือวิชา <c oughs> คือวิชากรรมาฐานไป้ทำไรายได้สำเร็จเจ้าเล่ยก็เหมือนกันนักศึกษาเราเรียนก็เหมือนกันเรียนได้จบตื่นขึ้นมาก็จะไปเรียนเป็นเรียนหนังสือก็ไปหนังสือมีส่วนประกอบ และยินในฟังครูอาจารย์บอกครูอาจารย์สอนรู้หลักวิธีการรู้วิธีการกระทใแต่ความรู้อีกเช้นทางไปกลับไปโรงเรียนกลับมาบ้านทุกวันเหมือนกับสมัยเป็นเด็กอ่านหนังสือ เรียนแล้วใหม่ชาติป2ออเด็กชายใหม่รักบู่เป็นเด็กดีตื่นนอนแต่เช้าทุกวันรีบลูกขึ้น้วยเก็บที่นอนให้เรียบร้อยร่มทำงานช่วยเหลือพ่อแม่เช่นเช็ดถูเรือนเป็นต้นถึงเวลากินข้าวแต่งตัวไปโรงเรียนทุกวันให้ตามเวลาทุกวันอเลิกจากโรงเรียนกลับบ้าน ตอเสื้อกลางแกงออกพึ่งแดดรีบทำงานช่วยเหลือพ่อแม่ <c oughs> เด็กชายใหม่ก็เรียนจบได้ฉันประถมวัตถยมชันอุ ด, ดมได้ปริญญาได้ความรู้เป็นวิชาชีพไม่โง่ทำอะไรก็เป็นตามศาสตร์ตามสาขาวิชาที่เราเรียนมา ได้คนไม่เลี้ยงก็ทำอะไรไม่เป็นคนไม่ทําไร่ก็ไม่มีเพื่อไรที่ได้มาคนไม่ทํานาไม่มีเม็ดข้าวที่ได้มานี่คือวิชากรรมฐานวิชากรรมฐานก็เพื่อาำหลักทิ่พูดและเมื่อบานนี่ว่า มีกรรมฐานมีภาวนามีวิปัสสนาวิปัสสนาคือทําให้สําเร็จแล้วได้ผลแล้วเรามาทํากรรมฐานเพื่อสร้างบา้านสร้างผลนิพพานและเกิดขึ้นที่กายที่ใจนี้ก็ไม่ต้องอาศัยวัตถุอันอื่นมาเดินเป็นไหนไมาได้แขงผ้าแขงผลเป็นไหน ไม่ตากแดดตากกำลับอกมีสถานที่ไม่มีการไม่มีเวลาชาลายังอาศสอน้าผลอาศัยแปลงนาอาศัยข้าวปลูกอาศัยข้าดอาศัยไถอาศัยน้ำอันนี้เราว่าทากรรมาฐานกันมีกายมีใจกันทุกคน เขกายเป็นที่ตั้งมีสติตั้งไว้ดนกายตั้งได้ทุกอกาสอากาศหรือการทำไม่มีการนั่งอยู่ก็ทําได้เดินอยู่ก็ทําได้ลู่ได้ยืนอยู่ก็ดูได้นอนอยู่ก็ดูได้ไปไหนก็ดูได้ทํางานทำการก็ดูได้ขับรถขับเรือก็ดูได้เขียนหนังสือก็ดูได้อ่านหนังสือก็ดูได้ รู่เชิดตัวนี้ถ้าลองมาดูแล้วมัสะดวกในการศึกษาเมื่อมีสตีเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายก็เปลี่ยนให้เป็นดีได้เปลี่ยนเป้ถูกได้ถ้ามีการปฏิบัติเหมือนพระพุทธเจ้าสอนหลักสูตรต้นๆ ต, ตอนที่พูดแล้วว่า มีสติปัญญาขายเป็นบระจํา อ, อะไรเกิดื่องก็ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้มีความเพียรเครื่องของจิลลดมีสัมปัจฉญะมีสติถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกเสียได้บางทีอาจจะใช้การใช้ใจผิด มัน จ, จะเคยคิดในทางอื่นเกิด <c oughs> ขึ้นได้ไม่ใช่สร้างสติอาจจะมาได้สติอาจจะเกิดความลหลงมาแสงหน้าแสงหลังเกิดความโศกเกิดความทุกข์เกิดความเพียดความถูกเกเิดความสงบเกิดความผู้สา้นแลงไปก็ตั้งหลักคดีกลับมาตั้งไห้ จะหมงนชาวนาล่อนก็ลอ่ลอนเหนื่อยก็เหนื่อยหนาวก็หนาวเกี๋ยวก็กับยังอืินก็เจอะขอเป็นท่อถอยมีความขยันหมั่นเพียรอยู่เสมอที่ว่าภาวนาขยันทำให้มันดีมันมีความไม่ดีเกิดขึ้นก็ทำให้มันดี มันทำได้การปฏิบัติธรรมก็เช่นกันได้เปลี่ยนความไม่ดีให้เป็นความดีอย่างความไม่ถูกต้องให้เป็นความถูกต้องเกิดขึ้นในกายนี้เมื่อทิ้งความถูกต้องไว้ในกายในใจนี้แล้วก็แล้วก็ติดดีละติดความถูกต้องได้เราไป <c oughs> เปยนหนายช่าง อสร้างมีเครื่องมือมีเลื่อยมีมีดบีหวัวนมีสิวทําบ่อยๆก็มีฝีมือทาได้สวยงามมีดเล่มเกา่าเลื่อยเล่มเกา่าสิวเล่มเกา่ากบปันเกา่าว้านมันเกา่าแล้วก็ทําให้ชานาญในการใช้เครื่องมือมากขึ้น ใชปากาเรื่องเก่าจเดิมแต่ก่อนเขียนไม่สวยพอเขียนไปเขียนมาชํานาญมากขึ้นแต่ก่อนเรกเขียนตามบรรทัดต่อไปไมันต้องเขียนในเส้นบรรทัดเขียนได้ตรงเขียนถูกต้องสวยงามได้มล้ก็ชํานาญตามธรรมชาตินั้นกดธรรมชาติผมการกระทํา กรรมฐานก็เช่นกันมันจะได้ชำนาญเปลี่ยนควงไม่ถูกต้องให้ถูกต้องแต่ก่อนเราจะยากเหมือนทวนกระแสแต่ว่าทําบบวายก็อาจจะสะดวกทำใหม่ๆอาจจะง่ายที่จะหลงทําไปทํามากง่ายที่จะไม่หลงง่ายที่จะลู่เป็นเช่นนั้น ผูท้ทำอะไรก็ตามเป็นอย่างนั้นทำได้คล่องแคล่วสะดวกรวดเร็วเมื่อทำเมื่อเปลี่ยนความน้อยเป็นความดีม <c oughs> ันก็มีใ น, นสงได้สัมผัสกับสิ่งที่ไม่ถูกต้อง่จริงถูกต้องมันก็ลู่จับเลือกเราใช้ความถูกต้อง ความถูกต้องขึ้ น, นที่กายที่ใจก็เกิดเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาไปเรื่อยๆ เ, เบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเป็นไปเพื่อดลบทุกเป็นเพื่อเพิ่มความสงบเป็นไปเพื่อนิพพานเมื่อความถูกต้องเกิดขึ้นที่กายที่ใจแล้ว จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรคิตใส่ใจตามตดาหน้าก็ต้องมีวิธีการทํานารู้จักขู่กล่อข้าอาจจะไม่ได้ต้นข้าวอาจาจะเกิดต้นหญ้าได้กา <c oughs> รู้จักไม่ต้นหญ้าเกิดก็รู้จักไขายล่ามเข้าไขายล่ามออก เปิดน้ำเข้าปล่อยน้ําออกถ้าเปิดถ้าน้ามันแห้งต้นหญ้ามันจะเกิดถ้าน้ํามันท่วมต้นข้าวมันจะไม่งามมันจะตายต้องให้พอดีพอดีก็คิ้งไปแล้วแต่ทาไปแล้วมันก็จะเชื่อมได้ปฏิบัติธรรมก็เช่นกัน ชาวนาทำกันแล้วทิ้งทิ้ ง, งควงควงก็ไม่ได้ผลปลูกข้าวทันทีได้ข้าวก็มีแต่ยอาเต็มทุ่ ง, งไม่งามต้องมีความเพียรถือหน้าผลมีศรัทธาคือเนือนาดีดินดีปุ๋ยมีมีปัญญารู้จักดูแลรักษา เปิดปล่อยน้ำเข้าเปิดน้ำออกความเคียดขั้นหรือควาแมแห้งแล้งไม่มีน้ำผลปฏิบัติตาม็เช่นกันบางทีก็ตึงเครียดเกินไปก็แห้งแล้งแห้งแล้งได้หย่อนเกินไปก็แห้ง ตึงเคียดเกินไปก็ท่วมได้แห้งหย่อนเกินไปก็แล้งได้แห้งได้ตั้งแห้งทั้งท่วมไม่เหมาะที่จะเกิดสติได้พระเจ้าจึงบอกการเทศนากันแรกพูดเรื่องนี้ชัดเกนต่ทางที่ไม่ควรําเนินในชีวิต ของนักปว่วของผู้พุทธก ร, ร์คือความเกียจขาดอ่อนแอเรียกว่าการมมาชุก ข, ขันนิการโยกโกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลงทุกข์เป็นลูกทุกข์เป็นทุกข์กิเลตัณหาเป็นกิเลสตัณหาอ่อนแอ เกิดก็หยุดขยันก็ทำคือความอ่อนแอเป็นการมาสุขานิการนโยกนี่ก็คือปล่อยปล่อยสติไม่งามสติก็ไม่งามแห้งแรงตึงเกินไปจะเอาจริงเอาจังจะทำให้ได้บางทีจุดทุกนั่งจงกก นั่งทำเควื่งเพียรจุดทูปดินจง ก, กรมเอาธูป ก, กำหนดเอานาฬิกากําหนดจะทำหนึ่งชั่วโมงจะทำสองชั่วโมงสองชั่วโมงเอา8ดชั่วโมงก็นั่งได้แปดชั่วโมงก็คุยว่านั่งไม่แปดชั่วโมงแต่ขณะนั่งทำอะไร คุณคิดในอารมณ์ที่คุณคิดไม่รู้จักหยุดความคิดไม่มีสติก็ยังไม่มีประโยชน์แปดชั่วโมงพิสูจน์ต้องหลอยอึกเธอคุณคิดในอารมณ์ที่คุณคิดไม่มีสติไม่สลัดความคิดนั้นออกถือว่าเป็นคนเกลียดข้านไม่ใช่สำน้ว่างตนว่าเป็นสำน้า ว่าใช่ปะพืชองมะจันก็อ้างตนว่าประพฤตืของมะจันส่วนบุคคลดอยมีสติเวลามาคุ้นคิดมันหลงรู้จักตัวเวลามันสกขรู้จักตัวเวลามันทุกข์รู้จักตัวเวลามลาสงบรู้จักตัวเวลาทุ่งซ่านรู้จักตัวนี่ที่ว่าขายันผู้ปาราลบความเพียร แม่เธอนอนอยู่ก็ถือว่าเป็นผู้ปลาลบของเพียนเมื่อเธอนั่งอยู่ก็ถือว่าเป็นผู้ปลาลบของเพียนเ <c oughs> ยืนอยู่อะไรอยู่ก็ถือว่าเป็นผู้ปลาลบของเพียน <c oughs> <c oughs> ไม่มีเสียงนะได้ยินไหมอะ ไม่ชนให้พูดนะเสียงน <laughs> นเนี่ยวันี้วันอยู่ที่การกระทมเราใช้เวลาเท่ากันหนึ่งวันสิบสองชั่วโมงเราหลงกี่าทีกี่ชั่วโมงเราลู่เยอที่กี่ชั่วโม ง, ร ง, โมงสร้างปฏิวัติธรรมกรรมฐาน ตามแบบที่กัจจริตสติสมัชย์ญาตบพะผู้ขันเข้าเยี่ยนนองสิบจังหวะจังหวะละหนึ่งไม่เกินไม่เร็วกว่าหนึ่งวินาทีไม่ช้ากเกินกว่าหนึ่งวินาที14จังหวะก็14วินาที14วินาทีนี้รู้สึกตัวทุกจังหวะไม่14จังหวะเนี่ย อันนี้เป็นรูปแบบต่อคุณคิดไปมีสติหมายเลื่อปล่อยความคิดไปนั่งอยู่นี่คิดถึงบ้านไปบ้านกี่ครัง้งกลับมาเป็นไหมหรือไปคิดถึงคนามรักกับความรักถึงความรักเช่นคนชังก็เฉิดถึงความชังมันไม่ได้ทําความเพียรมาทําความคิดมาใช่ความคิด เห็นคนหนึ่งปฏิบัติธรรมพอปฏิวัติไปก็มาถามสองอหนูจะเลี้ยงลูกได้ไหมเนี่ยหนูมีลูกสองคนสามีถูกอุบัติเหตุตายไปเสียชีวิตไปเป็นครูจะเลี้ยงไหวไหมหมาคิดถึงการเลี้ยงลกูกก็บอกว่าเวลานี้ ไม่ใช่หมือนั่งคิดถึงลูกให้หมือนั่งปฏิบัติธรรมถ้าเราปฏิบัติธรรมเราทํากรรมดีเรารักลูกเราต้องเป็นคนดีอย่าทํามาแต่งเป็นทุกข์เมื่อแต่คิดลูกไม่รู้เรื่องเวลานี้เราคิดเกลียดใครเขาก็ไม่รู้เวลานี้เราคิดรักใครเขาก็ไม่รู้ดอกโดยที่เราเป็นกรรมเองคือเรานี่ ไม่รู้จักหยุดความคิดนั่นๆในสมเรตแในความคิดต้องประกอบลักโลกก็ต้องเป็นคนดีเป็นแม่ที่ดี ล, ลักขวัญลักเมียก็ต้องผลผัวเมียที่ดีลักพ่อลักแม่ก็ต้องผลพ่อแม่ที่ดีความรักคือเป็นองค์นดีไม่ใช่ความรักแรืความคิดถึงอานนกม่ต่ ทำให้เกิดอารมณ์เศร้าหมองไม่มีประโยชน์ต้องมาปฏิวัติตามเยก่อนให้รู้จักตัวอย่านี้มันคิดถึงลูกกลับมารู้จักตัวนี่เรามาสร้างสติสมัยก่อนก่อนโน่นสมัยพระจิตตถาจะคิดถึงลูกเหมืกันกลับมารู้จักตัวคิดถึงเมียกลับมารู้จักตัวอรา จ, จะทำอย่างนี้ จึงเห็นความคิดมันคิดได้หลายอย่างจึงได้มาสอนเห็นจิตสักตะ ว, ว่าจิติดยความสุกความทุกข์มันมีได้หลายอย่างโดยมีความสุขก็คิดถึงความสุข ม, มีปรจาจารสมาธดูมีเสาสนมไม่มีบุตรเกี่ยวปูนก็คิดถึงความสุขจนเป็นสุขมันก็ไม่ใช่กลับมารู้จิกตัว อลไรก็ตามต้องกลับงาลู่จตัวกลับมาลู่ตั ว, ตลลตวไลยบทเรียนเยอะๆที่มันเกิดจากกาจากใจเราเนี่ยประจบการมากแต่สอนกาได้สอนใจให้ได้เกิดความรู้แต่ก่อนนี้ปล่อยความไม่รู้ไว้ในกาในใจติดมาเหมืนติดมลารเป็นนิดสยัยเป็นปัจจัยเห็นจะลิดไป เปนหลากะจริตญปงแฉงกิดจีปัญหาเจ่งเป็นโทจ่จริญคนขี้โกดง่ายเป็นโมหะจริญหลงง่ายเอาความหลงออกหน้าได้เห็นทางหูก็พอใจไม่พอใจนั่นคือความหลงออกหน้าได้เห็นทางตาก็พอใจไม่พอใจนั่นคือความหลงออกหน้าตามความหลงเกิดขึ้นก็มีความโกรธ ความโลภได้ความหลงเป็นหมายเลขหนึ่งเป็นําเลยหมายเลขหนึ่งก็ใช่ความโกรธใช่ใจะให้โกรธเป็นจําเลยที่สงความหลงมันเกิดขึ้นที่ใจคองมโกรธก็เกิดที่ที่ใจต่อไปความโลภ ก, กเกิดทึ่ที่ใจต่อไปออกไปทางทัาวานทั้งหวานจะพูด ด, าด่ากันได้ฆ่ากันได้ ผิดศีงผิดทรรได้สตินี่เป็นต้นตรงกันข้ามกับความหลงพอดีเลยหลงก็ไปรู้ทันทีอยู่ในขราวเดียวกันนั่นมันไม่ยากมีจิต ด, ดูกจิตเองมีสติมีจิตเองในสติก็อยู่ในจิตนั่น ในความหลงก็อยู่ในจิตนั่นให้เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้ถูกต้องในข่าวเดียวกันนั่นกระดาษเดียวกันนั่นมันก็เกิดความเฉลี่ยชำนาญจริงๆจะเป็นการสอนใจสอนใจเมื่อใดสอนให้จอมสอนให้ทองสอนให้สมผัสสอนให้พบเห็นกรรมาฐานเป็นวิชาที่พบเห็นมาใช่คิดถึงเหมือนการเรียนหนังสือ ใช่หัวคิดบางคนก็คิดไม่ได้ต่างกันระหว่างปัญญาความคิดคิดไม่เป็นยอมอะไรก็ไม่เป็นแม่แม่ยอมผู้มีสตีจําความคิดจําการกระทาเมื่อนานได้ผู้ที่ไม่มีสติก็จำไม่ค่อยได้ย่างสื่อก็เหมือนกัน ก็มีสติดีมีสมาธิดีอานนั้นชีก็ติดง่ายถ้าผู้มีสติอานนั้นชีก็ไม่ค่อยติด 1. มีสติมีสมาธิใส่ใจทําไรใส่ใจเรื่องเดียวเฉพาะเรื่องคนที่ไม่มีสติก็ไม่ค่อยใส่ใจเมราะมีสมาธิ อ่านจดหมายหน้าเดียวไม่รู้เรื่องก็มีต้องอ่านสองรอบจึงรู้จักในจดหมายหมายคาอืออะไราบางคนก็ว่าจากนั้นเป็นอย่างนั้นนี่เราจึงชำนาญในการหลงเก่งเรื่องนี้หลงครั้งเดียวไม่หลงอีกแล้วโกรธเรื่องเก่าไม่โกรธอีกแล้ว กเรื่องเก่าไม่ทุกข์อีกแล้วถ้าพูดไม่มีสติก็ทุกข์ร้อยข้างฝันหนหล่นร้อยร้อยข้างฝันโหนเรื่องเก่าเพราะไม่ค่อยจัดเกณฑ์ไอ้สามจึงต่างกันก็มาฐานถอให้ได้ต่างกันใช้เวลาต่างกันได้เหมือนม่ามีผีเท่าดีกับม่าที่ไม่มีผีเท่า เดินทางก็ทิ้งกันได้ผู้มีความเพียรมั่นคงผู้ไม่มีความเพียรมั่นคงไม่มีสติไม่มีสมาธิจะเอาเวลามากําหนดไม่ได้ปฏิบัติทำมาแล้วไม่ได้อะไรเลยก็เอาเวลามาว่ามากําหนดตัวเอง จึงมันต้องเอาสติเอากรัมกระทาเอากรรมฐานเป็นที่ตั้งมีกรรมฐานที่ตั้งไว้ไหมมีภาวนาขยันตั้งไว้ไหมชำนาญแล้วหรืออย่างชำนาญในความรู้เห็นกายสักว่ากายเห็นสุขสักว่าสุขเห็นค ว, ความคิดสักแต่ว่าความคิด เห็นธรรมสัจธรรมจบง่ายง่าอย่างนี้ เ, เห็นกายออกมาเป็นตัวเป็นตนมันก็ไปกายเป็นภพเป็นชาติเห็นสุขเป็นทุกข์ออกมาเป็นตัวเป็นตนกูสุขคู่ทุกข์ก็มันก็เป็นภพเป็นชาติไปกายเห็นจิดเต็มันเช็ดคิดเชิงใดก็ที่ ย, ยงไว้ในใจก็เป็นภพเป็นชาติไปกาย ก็ติดที่ใจนั่งทำก็จักว่าทำถ้าเห็นเป็นความเสื่อมความเจริญถ้าได้ก็ดีใจถ้าเสียไปก็เสียใจเห็นท้าก็เสียใจสอเสริญก็ดีใจจบก็ดีใจทุกขก็เศร้หมองอันนั้นมันไม่ก็เป็นพบเป็นชาติฉันทำก็เจอว่าเป็นป็นาการธรรมดา เราต้องเลี่ยกว่ามันจุกมันทุเนกเวลาการที่เกิดขึ้นกับปลากับใอยเห็นเป็นธรรมชาติสักแต่ว่ามันก็ง่ายสะดวกเหมือนมามีผีเท่าเลยก็ผ่านไปได้ง่ายทิ้งมามีไม่มีผีเท่าคนละคนละหลายหลายยอดงูเจ้าเปรียบเทียบอย่างนี้ อมโ ต, ตวัตเตุจัตเตุตพชาชกโลอภรัสงศิหสยะติชุเมตสยะติเมตสิุตองลอยผู้ในความเพียรมั่นคงกับผู้ไม่มีความเพียรมั่นค ง, ค เ, นนคงเหมือนมาไมมีผีเท่าดีแต่มาไม่มีผีเท่าดีฉันนันเดินทางด้วยกัน ทุกคนต้องรับปิดชอบตัวเองไม่มีสติเปลี่ยนความไม่ถูกต้องให้ถูกต้องขึ้นมาทําไล่ทุกขีวิตให้อมยิ้มว้เถอะในการปฏิบัติธรรมนี้มันทำลายอยู่ความโกรธก็ไม่โกรธได้อยู่เรื่องเล็กน้อยความทุกข์ก็ไม่ทุกข์ได้อยู่เรื่องเล็ ก, กน้อย ม่น่าจะปล่อยทิ้งความโกรธคงทุกข์ไว้ในการเิี้ยใจไม่โกรธก็ได้ไม่ทุกข์ก็ได้ไปทางนี้เลือกทางนี้จึงจะเหนือการเกิดแก่เ จ, จ็บตายถ้าหลงเป็นหลงเกิดแก่เจ็บตายแน่นอนถ้าทุกข์เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายแน่นอนถ้าโกรธเป็นโกรธเกิดแก่เ จ, จ็บตายแน่นอน เราจะเลือกไปได้หรือเนี่ยไม่มีใครบังคับเรานพูดเป็นวันนี้เรามีสิทธิเราเมสิสธิไม่โกรธใช่สิทธิของตนให้เต็มที่อย่าไปยอมเรามมนทุกเรามีสิทธิไม่ทุกอย่างนี้ไม่ต้องขอญาตจากใครมีมนุษย์สมบัติ สวรนสมบัตินิพพานสมบัติเหความเจรงญพ้นจากความแจริญเห็นความตายจึงพ้นจากความตายวม่ใช่ยอ ม, ยมนนรับไม่ใช่จำนวนเดิมเดินนั้งแต่ที่ือกไปสูงสูงเห็นกายจักรกายเนไปสูง เห็นสุกขเห็นทุกข์สว่าสุขว่าทุกข์ไปถุงสูงแบบนี้เห็นจิตสัตว่าจิตไปแบบนี้เห็นธรรมสัต่์ว่าธรรมไปแบบนี้มันจกขวงกันไม่ได้เอาความสุขความทุกข์เอาความผิดความถูกนี่จะเห็นเหมือนผิดมาได้เห็นเหมือนผิดไม่ได้ เ, เ, ดไไดเป็นผู้ผิดเนี่ยมันไปแบบนี้ความผิดก็ไม่มีแล้ว เห็นหมันทุกไม่เป็นผู้ทุกถึงความทุกข์ก็ไม่ติดสายติดเจแล้วง่ายๆอย่างนี้ปฏิบัติธรรมมัสะดวกอย่างนี้จึงน่าจะกระตือรือร้นผู้ปฏิบัติก็สะดวกอย่างนี้ผู้บอกผู้สอนก็สะดวกอย่างนี้ขยันมากขยันบอกอย่างนี้ชอบมากชอบบอกคนอย่างนี้ว่าไม่ถูกต้องเจ๋งๆความทุกขนะ์ความไม่ทุกถูกต้องกว่า ความโกรธไม่เก่งความโกรธมันถูกต้องกว่าอย่างนี้ให้สิงที่เร า, กราโกรธคนอื่นคำมาโกรธมีแล้วในโลกนี้จิงที่ท่านเป็นทุกข์คนอื่นคำมาทุกข์มีแล้วอายนะเวลามาโกรธหน้าบูดหน้าเมืขนเห็นน่าอายมากก็้าสมัแล้ว พอนอนทำเอาเวียนนายมั่ น, น, นยัดไว้อย่างนี้เขาบอกพระสงฆ์แต่วันบวนน้ำโกรธกันเดดกาดท่ามดากระเดดกาดทําไม่ได้มั่นยัดไว้อย่างนี้บังคับอย่างนี้แบบพิมพ์ไปอย่างนี้ในของนักัวของสํานักพระสงฆ์มีแบบอย่างนี้ยิ่งอยู่ด้วยกันแบบสงแบบสมัครคี มีอะไรก็ตอนเท่ากันแบ่งกันของที่มีอะไรอยู่นี่เป็นของส่วนกลางของสงมีจิตติร่วมกันไม่ใช่เป็นของส่วนตัวเดียวว่ามีจิตติว่าสังฆะสมาคิรวมกันเป็นหมู่รวมกันทำความดี รวมกันเผยแพร่รวมบอกความจริงช่วยความจรงให้เป็นความจริงจึงมสังฆะจริงๆในโลกนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติต ร, ตรงนี้อยู่ปฏิบัติออกจากรูปปฏิบัติเป็นสถาบันไม่เป็นอื่นเปนได้ที่นี่ก็ต้องชื่อสถาบัน สถาบันนี้เป็นสาถาบันที่เรียนจบ ป, ปรรัญญาได้เหมือนกันปัญญาต้องเกิดขึ้นที่กาที่ใจนี้ยาตรรัดปิญญาอย่างลู่ในปัญญาอย่างลู่เพราะเราเกิดขึ้นกับกามกับใจเนลู่หมดหลอกเป็นได้นี่เยตาปัญญากระหน่ลู่ได้เร็วไว ดิลคณาปัญญากำหนดรูดใการแกะแกงอะไรเค็ดจิงแกแกงได้ไม่เบนการบ้านในค้างคาในจิตใจไม่มีอารมณ์ค้างดิลคณาปิญญาอยัดปะหานะปัญญาทำสิ่งได้ไม่ถูกต้องหมดปล่อยจิงจิงหมดปล่อยจิงๆก็มีปัญญาทางชีวิตจิตใจเป็นศาตร์ตำแหน่งด้วยพุทธศาสนา เดือนจบได้ในกาในใจเรานี้ไม่มีการบ้านไม่มีอะไรที่จะทำให้เป็นทาราบเป็นไผเแต่ชีวิตที่ไม่มีไผยได้ยินว่านงฮะสมควนใจประดาษกับพระพรมกัน